นโมเมวสุทธานังอุปนนานังมาเหสีนังตันหั่งกะโรมหาเวโรพระพุทธเจ้าตั้งหั่งก่อนก่อนนั่นอเองนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าตันหังก่องเลยตันหั่งกะโรมหาเวโรเมทังกะโรมหาโยโส สนนั่งกะโรโลกะฮิโต้ที่ตาปังกะโรชูติันตาโรโกนทันโยชนปามโมโขมังกะโรสุปุลีซาตาโรสมโนสมโนที่โรเนวัตุระติวัตโนสุพิโตคนิสัมปันโนนภัสสีชุมตโมปุตโมโรขบะเจ้าโตนาโนาจาตกรรท์กน ทิศารตะม่เราเก็บทิศทวารเจ้าตะจางรพุทธเจ้าตะท่อตะท้วิปัสสีจ้านปโมสิกิสัมให้ตัวสถาเวตถูตุกทาโยโกก้าคูสันโตสันทว่าโหโกหน้าขมโนระนั่นจะโหกัตโปที่ซับโปโนโคตะโมสักกายปุงโคเอเตเจเนี่ยสามุตาอันี้กษัตริตะโกตะโยพระพุทธเจ้ามากก่าเราคนพี่มาหอดพระพุทธเจ้าเข้าไปจังได้รับเนี่ยพวกพวกเป็ดชมเนี่เป็สัมภเวสีขาวเนี่ยพวกไม่พวกเดียวเนี่ยพวกเป็สัมภเวสีเนี่ยกับพวก ที่วาวนเงกันเป็นซื้ออันเดียวกันทรัพย์เภสีกับว่าผู้ตะวันทรัพยเภสีวานี่ในกรณีีอย่าไแต่สูตรนะพวกนี้เนีได้รับได้รับอนุสงของญาติโนมที่ทําไปเหลือนต่นั้นไม่ได้รับเนี่ยเห็นไหมเป็นสัตว์การที่ให้มันเป็นเปรตมันยังดีกลัวมันอ่ะคือเบื้องลู่หลายตอนนี้โดนตานนี้สัตว์เขาเรื่องมืนอหญ่มากเนาะมันก็ว่าเป็นมันเป็นเรื่องของเล็กน้อยเด้เนี่ยเรื่องง่ายตัวฐานนี่เลยสัตว์อรรถว่า แค่นี้ถ้าออไปนี่หายพอดใช้นอกไปในนอ่อันปูใ ห, ห้าจะเอามาปูไร้มันจะเป็นเพลได้ดดเนี่ย <c oughs> น้องพือเดียวน่งเพื่อเดียวเป็นเพลไ ด, ด, ดเ้เนี่ยเอาปูให้ห้าวเนี่ยมันสูงก็แห้งใช่หมาปูอีกางไปูไ้ไร้เราห่อนมันอากาศโปรรวงไหมันทัพปานนั่งอยู่กองไฟ ม, มันห่อนคือเข้านั่งเฟียงเหร นั่งกองเฟื่อไงหนไว้หันงวดนีด้่าเป็นสนเจ้าว่าจขนออกกันฮารุนเ อ, เอาปูให้มู่ะเจ้าว่าปูให้ผู้เดียวมันจะเป็นเพจเด้มันสูงเพราะแห้งเลยถ้าเราขนออกสนะ ยถาวารีวาฮาปุระปเรปุเรนติซาขลังเรียมีวีตุจินังเปตังนางโภคปะปติอิทิตังปะติตังตูมางคิปเมวะสเมชาตุสเวปุเรนตูสังกาปะจันโทพนะรสุโสยถามณิโชตีระโสยะถาสพีตโยยวัจนะสัพพตโกสัพะโยสัพพโคเวทัสตวาเทปวัตตวนตระโยสุขีตีขาโยโกภะอภิวาสนาสีนิจานิจังโมต้าปชาโยนุจตารูธรรมวัฏันติอายุโนสุขังภะ อราเอาอะไรนอกกว่านี้เะมันนั่งโดนฟแห้งนล้วเนาะจะเสือาได้สอเนาะเอาไปซุกไปซุกกันเนี่ใส่เล่งล่ะใส่เพดตัวนี้กขาล่งล่ะใส่เพจตัวนี้ล้มตะโดนล่ะเนีนเยอะเท่ากับเพจขี้กันแหละเป็นต่ญานิ่มื่อเพจแท้เป็นแต่ญาตเของเพจเมื่อความหวังมากปัญหากว่ามาก เมื่อความหวังน้อยลงปัญหาก็น้อยลงเมื่อความหวังในโลกมากปัญหาก็มากคําสอนว่าพุทธศาสนาเป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิเป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิเป็นพรหมสมบัติเต็มภูมิเป็นนิพพานสมบัติเต็มภูมิเป็นวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวด้วย ไม่มีรัทธิใดๆจะมาสอนเก่งเหมือนพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาในโลกทุกยุคทุกสมัยแต่ชาวโลกขอบขี้โอ้ถือว่าพระพุทธศาสนาไม่ทันสมัยไอ้ที่แท้ชาวโลกไม่ทันพระพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่ทันสมัยชาวโลกไม่ทันสมัยกับพระพุทธศาสนาถือว่าขาดมนุษยสมบัต ขาดสวรรค์สมบัติขาดพรหมสมบัติขาดยพระสมบัติไอ้จะแท้เต็มบริบูรณ์แล้วแต่ไม่รู้ตัวเฉยๆเหมือนเขยมทิศที่ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอน ใ, นใดก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงเอกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และท่านผู้ไม่รู้ มานขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อได้ไมาเชื่อเทียมในทางสูงเที่ยมในทางลึกน้ำห้อยน้องครองบึงบางต่างๆ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 มาเป็นยุๆยุคยุุคยก็ตามก็มามีคำสอนอันเดียวกันและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริยาอยู่สามที่จะสร้างบารมีมาก็มีจริยาอยู่สามอย่างพุทธถจริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาญาตท ะ, ะจริยาทรงมาเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่พญาติหรือโอยฐานเป็นพญาติ โลตัทธะจริยาทรงมาพืชเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกอีกด้วยแม่ทัศรู้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นแต่ชาวโลกรอบขี้โอชอบเอาคำสอนของตนมาเทียบกับคำสอนพระพุทธศาสนาคล้ายๆกับว่าเอาเมล็ดพันธุ์พกกาศไปเทียบกับภูเขาเหิมาลายไกลกันราวฟ้ากับแผ่นดิน อบายมุกทุกประเภทผู้ใดร่วงเข้าก็เป็นมนุษย์ดิบัดแต่ชาวโลกเอามาล่วงกันก็เป็นมนุษย์ดิบัิอบายมุกกับไฟไหม้โลกก็มีความหมายอันเดียวกันอบายมุกกับทำลายโลกก็มีความหมายอันเดียวกันอบายมุกกับมนุษย์ดิบัิสวัสดิ์วิบัติพรมวิบัตินิพพานวิบัติก็อันเดียวกันอบายมุกมีอะไรบ้างดื่มหน้เาเมา เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันก็ ค, คนชั่วเป็นมิตรเกียรติครานทำการงานในทางที่ชอบอบายมุขทั้งนั้นมุขะมุขะก็แปลว่าชิพนายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากหรือเป็นปากเป็นทางแห่งความชิพนายวิธีสอนโลกวิธีปกครองโลกพระบรมศาสดาก็สอนยืนยันทุกๆพระองค์เลย ไม่ได้ลบล่างพรบกันเลยจะมามากกว่าเม็ดินเม็ดทรในท่อมหาสมุทรและรานมหาสมุทรก็ตามพระสมยสัยพระพุทธเจ้าก็มีคําสอนอันเดียวกันไม่ได้ลบล่างพรบกันเลยทําเป็นโรกระบาลคุ้มครองโลกสองอย่างเท่านั้นความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้แต่ผู้บัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกก็คือพระพุทธศาสนาเท่านั้นรัฐที่อื่นบัญญัติไม่ถูก สิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญน่าเป็นบาปก็มีถ้าหักว่าละอายต่อบาปกลัวต่อบาปแล้วชิ้นห้า ก, ก็บริบูรณ์ไปในตัวถ้าชาวโลกมีชิ้นห้าบริบูรณ์นับตั้งแต่อายุเจ็ดปีไปส่วนวบาปเสียจริตผิดมนุษย์ก็ยกไหวซะนับแต่อายุจะปีไปมีชิ้นห้าบริบูรณ์ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมี โซตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างขายของก็ไม่ต้องเฝ้ากุญแจก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมีสงครามในโลกก็ไม่ต้องมีเครื่องอาวุธทุทโธปันก็ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนาไม่ได้ยืนยันว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมาณู รือเอ็มเท่านั้นเอ็มเท่านี้เป็นที่ผกครองโลกบอกว่าความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะผกครองโลกได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วกฎหมายจะตั้งไว้กีร่าล้านก็ตามมันก็ไม่อยู่อูของทําไม่นําคําหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับมันทําในที่แจ้งแก้งเสียด้วยเอา้าโลกเอจมาจากประตูใดก็มาจากประตูกามเสมสศจารย์นั่นเองพระ กาเมตตวิชชาฌานไม่มีขอบเขตสินห้ามีขอบเขตการเมตตวิชชาฌานผู้มีสินห้าบริบูรณ์ก็คือพระสวสดาบัลเราดีๆนี่เองผู้ครองเรือนนั่นเองผู้มีสินห้าบริบูรณ์บัณฑิตโตคะะมาว่าสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนก็คือพระสวสดาบาลเราดีๆนี่เองไม่เสยดายอยากเขาบอกละเมิดสินห้าไม่เสียดายอยากเขาบอกละเมิดอบายยมุก ไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกียามดีไม่เสียดายอยากกักถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องผหาญค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเลนเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้าเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสราบันไม่เสียดายร่วงละเมิดเลยเหตุใดจึงไม่เสียดายร่วงละเมิดเพราะเห็นว่าเป็นทางชีพหายตรงโต๊ คือมีดวงตาเห็นธทรรมแล้วเป็นผู้มีปัญญาเห็นทางสว่างแล้วเห็นทางไปพญพาเนี่ยเห็นทางเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติแล้วเหตุนั้นพระพรทมศาสัจจาจึงทรงยืนยันว่าบัณฑิโตขะละมาวะสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนคือพระสวดาบันเราดีๆน นติภราปรินาญากาคนพานไม่ใช่คนหัวหน้าเนอะบโรมศาสัตระคนที่ไม่พานก็หมาเอาเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปต่ำกว่านั่นลงมาเป็นโลกีเป็นมนุษย์วิบัติเป็นสวรรค์วิบัติเป็นทพวิบัติเป็นนิพพานวิบัติด้วยไม่รับรองรับรองเพียงเท่า น, นั้นแต่ชาวโลกพากันบัญญัติขึ้น การตั้งกฎหมายกฎหมูกฎพักกฎพวกไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดใช่ไหมผู้เป็นถึงปศดาวันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสามีของตนไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดภรรยาของตนมีข้อเกตไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดหรือข่มขืนท่านผอื่นหรือบุตรหลานท่านผูอื่นนุ่งน้อยห่มน้อย โรงบาโรงบาโรงอบโรงรวอก็อบายยมุขทั้งนั้นอบายยมุขทั้งนั้นส่งเสริมราคะสิ่งไหนที่ส่งเสริมราคะให้จัดขึ้นสิ่งนั้นก็คืออบายยมุขสิ่งไหนที่ส่งเสริมโทสะให้จัดขึ้นสิ่งนั้นก็คืออบายยมุขสิ่งไหนที่ส่งเสริมให้มโมหะจัดขึ้นคือไม่ยินดีในศาสนาพุทธอันนั้นก็คืออบายยมุขมิจาทิฏฐิ พระไม่ชาติติไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาผู้สอนโลกก็คือพระบรมาศาสดาสอนมดรดฐปัญญาก็สอนเหมือนกันปริญญาพวกเราปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกปริญญาทางพระพุทธศาสนาญ า, าตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีระนาปัญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาประหานปริญญากำหนดรู้ด้วยการละเสีย คือระบาดบำเพ็ญบุญคือระความชัว่วประพฤติความดีคือระกิเลทั้งพูงจนหมดไปจนทั้งที่สุดทุกโดยชอบสอนแต่มนุษย์ส ม, มัติสวรรค์สมบัติพรมสมบมัตินิพพานสมบัติเป็นขั้นตอนไปจนเข้า จนจบเลยไม่มีบกคร่องจึงยืนยันว่าสัตถังสรรพยัญชนะงเจวราปริพุ น, นงังปริสุทดทางเพระม่ใช่อยังประกาเศเสสิบริบูรณ์แล้วทั้งอัถะทั้งพยัญชนะตามหางปะกวรรณตังอภิปูชยาเมตตามาหางปะกวันณตังศิทส า, านามจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้ด้วย ง, ง, โ, ง, งโง่กราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสว่าบริบูรณ์แล้วไม่สงสัยพระพุทธศาสนาว่าต่ําต้อยในทางคําสอนเลย ถ้าเป็นอาหารก็เปิดดูในเวลาไหนก็ไม่บูดไม่เน่าไม่ไมาอยู่ลางมือแล้วก็เปิดเท่านั้นคำสอนหนทางภายนอกของพวกเราเป็นโตกเป็นตะพักเป็นคลื่นหนทางที่จะไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติพิานสมบัติโร่งเตียนไม่มียาล็อกซ์เลยเปิดดูเวลาไหนก็ไปคล้อง ห, หุนทางกายหุนทางกายหุนทางวายาที่จับประพฤติแต่ชาวโลกชอบขี้โอจึงอนลามานกันอยู่ทุกยอมย่าไอพ่อออแมเออยอพ่อออแมเป็นภาษาภาคอีสานอ่ะเอาผู้ที่ เขายืนยันว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเขาไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้ใช่ไหมพอรู้ตัวก็สายไปซักบ่ายไปสักค่ำไปซักสายก็คือบ่ายก็คือค่ำคือตายไปจาบทำอันที่จะพึงรู้พึงเห็นไม่มีทรัพที่จะต่อสู้เสียแล้วมันสายเกินไปเสียแล้วแต่ก็เจงไปทุกขนทุกแห่ง เอ้าถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันคดีดำคดีแรงในโรงในศาลมันจบกกเกษียณเป็นกรรมและผลของกรรมที่พวกสัตว์ทั้งหลายทำไว้ตามสนองจองขาดไปจนถึงชาติเข้าสู่พระิปัติทางดีเขาเหมือนกันทางชั่วเขาเหมือนกันนะ เหตุนั้นจึงยอมรับนับถือพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาเป็นธรรมาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยเนอเป็นธรรมาธิปไตยมีดิง่งมีระดับน้ําเพราะพระบรมศาสนาตั้งบัญญัติเชคคาบทสอนโลกสอนทั้งมนุษย์สอนทั้งสัมพกทุสั ม, มเณีเทวรามานพรมด้วยสอนเป็นธรรมาธิปไตยไม่ใช่อัตตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ ไม่ใช่โลกาธีปไตยความเห็นโรคเป็นใหญ่ไม่ใช่ปร ะ, racket, ประชาที่ปไตยความเห็นประชาชนเป eh, ็นใหญ่ไม่ใช่ราชาธิปไตยความเห็นพระราชาเป็นใหญ่เป็นธรรมาธิปไตยเลยเหตุนั้นพระบรมศาลาจึงเคารพทำถ้า ท, ather, ทําไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถจะรู้ทําได้ทามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงไม่สําคัญตัวว่าอยู่เหนือธรรมเราจึงเคารพธรรมแบบแยบจมใครเอาปัจจุบัติ ก็ไม่เลือกชั้นวันนะก็ได้ผลประโยชน์หมดไม่ลำเอียงเข้าในคนชั้นต่ำชั้นสูงชั้นกลางเลยคําสอนพระพุทธศาสนาถ้าเอาคนมากเป็นประมาณเป็นเกณฑ์หน้าเดียวถ้าคนมากมันหนักไปในทางไม่มีบาไม่บุญมันก็ไปหมด่ะเอา้าชาวโลกจะมาพ้อมกันว่าดิ่งนี้ร่วมไปทางนั้นทางนี้เราก็มาไปด้วยในที่พ่ออหน้าผงในที่พ่ออหน้าบุคคลในที่พ่ออหน้าวัตถุในที่พ่ออหน้าจธรรมเรียสามคำวินั ชาวโลกกระพร้อมกันสับเพยียงไหรก็ตามถ้าขัดข้องต่อทำไม่ได้ท่านก็ไม่เอาอ้อสมมติว่าชาวโลกทั้งหมดเนี่ยมีความย็นดีว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีคุณพ่อคุณแม่มาเอาอย่างนี้เราก็ไม่ไปด้วยเนอะอพวกเพื่อนร่วมชาวพุทธจะไปก็ไปสะเราไม่ไปคุณพ่อคุณแม่ก็มีอยู่เต็มภูมิจะจะเห็นเรื่องม่เห็นจะเรื่องใสเรื่องไม่ใสเรื่องใสก็ตามคุณเวดามันาดาก็เปรียบเหมือนคุณพระารามพระพุทธศาสนายืนยันแล้วนะ ทำคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะใครเอาไปใช้ก็ไม่ผิดคนชั้นต่ำชั้นสูงไม่ผิดหนวดไม่ได้โอนเอียงเข้าพักของตัวด้วยและตัวด้วยเป็นประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นเช่นปนานาทิบาตห้าไม่ฆ่าสัตว์หรืออธินาทานห้าไม่รักของท่านผู้อื่นเราไม่รักของเขาเราก็ไม่เป็นเวรกับเขาเขาก็ไม่เป็นเวรกับเราด้วยเป็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นใช่ไหม การฆ่าสัตว์ตชีวิตกหมือนกันเขาไม่อยากตายเราก็ไม่อยากตายเหมือนกั น, นสิ่งไหนที่ปีนคําสอนพระพุทธศาสนาไปมันไปไม่รอดเอ่ามันไปไม่รอดเอยเออพราะเป็นคำสอนอันเดิมเอสธตมุชนันตนุคําสอนเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่ทำเป็นอันเก่าไม่ใช่ของใหม่ถ้าทําให้มีอยู่ก่อนพระพระบรมศราสดาก็ไม่สามารถรู้ทาได้ทํามีอยู่ก่อนเหตุนั้นจึงเคารพรม ไ ม, ไม่กระด้ากระเดืองเลยพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาสอนอันเดียวกันทำให้โรคบาลควบคองโลกสองอย่างความร้ายตาบาับความกลัวตาบับเท่านั้นถ้ามาอย่างนั้นแล้ยปกครองกันไม่อยู่หรอกทําไมเึงอาบนา้ําเพราะร่างกายมันสกปรกทําไมเชิงปฏิบัติเสียงดเพราะจิตใจมันสกปรกเราจะทําแต่วัตถุนิยมถ้าอุดมคติไม่มีมันก็ไปไม่รอด ถ้ามีอุรมณคติสัมปยุทธ์ด้วยวัตถุนิยมมันก็ไปสะดวกออสิ่งไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่ไ ม, ไมีเลยตระกูลจะมั่งคั่งสักเพียงไหนก็ตามตั้งอยู่ไม่ได้ทำไมไปพฤ่ธธิศสียธรรมตระกูลนั้นมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานสี่ หไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วสไม่บรนะิบูรณนะพัสดุที่ค้ำคร่าสามไม่รู้จักประมาณในการบริธโภคสมบัติสี่ตั้งสัตรีระรุษดูุสินให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะดำรงตระกูลควรเว้นสถานสีประการนี่เสียนะอะเอพ่อแม่จะแบ่งมรดกให้กี่ล้านก็อตามข้อถ้ามันล่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งมันก็ชิบหายหมดไม่เสแวงหาพัสดุที่หายแล้วข้อใดข้อหนึ่งไม่บริบนะูรณพัสดุที่ค้ำคร่าก็เอาเถิด ไม่รู้จักประมาณในการบรรพบุสมบัติก็เอาเธอข้อใดข้อหนึ่งไม่หาทั้งครบทั้งสี่ข้อหรอกไปไม่รอดเหมือนกันหามาได้ห้าก็ใช่สิบดูสิมันก็ไปไม่รอดอีกเหมือนกันไม่รู้จักประมาณในการบรรพบุสมบัติตั้งสัตตเยวุลุทุสินให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนนี่ข้อนี่คิดผายเร็วมากบรุธทธุสินหรือสัตตเยวุสินมันเอาไปเล่นเลขมันเอาไปเล่นผามันเอาไปสารพัดตั้งอยู่ไม่ได้นะ่ะนี่ ในระหว่างผัวกับเมียพระบรมศาลาพระสอนไม่ใช่สอนแต่พิคุสะมนเนยพิคุสะมาเนยมันผ่านมาแล้วอบาลยมุขพิคุสะมนเนยก็ต้องผ่านมาแล้วสอนขลภาวะตรงๆอบาลยมุขด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิน่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวสําหรับสามีภรรยา จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีไม่ประพฤติร่วงใจผัว ร, รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาไใไว้ขยายไม่เกีย่ยวข้าในกิจการทั้งปวงสอนบิดามาราเลยบิดามารรมกระบุตรเลยหนึ่งห้ามการะทำความชั่วท้องให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปะวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ในการเมื่อพอแต่งแล้วก็ใหญ่มาแล้ว ห้ามอกทรัพภายในสมัยทีนีบุตรก็ต้องตอบคุณเวรามานะหนึ่งท่านได้เลี่ยงมาแล้วเลี่ยงท่านตอบสองทำกิจ ธ, ธุระของท่านสามดำลงวงตระกูลชีพประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกข้อห้าเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่า น, น, านพระบรมศาสดาสอนไม่ได้เลือกสอนแต่พเพื่อคือสามเณรทีนี้ในระหว่างข้ารวาจะทํากับพระเนนขัานก่อสอน หนึ่งด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวิจกกีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยโนกกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสีด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อามิตสถานพิกษรณาสมเดได้รับมรรงชนีแล้วย่อมอนุเคราะห์บุระบุตรด้วยสถานห หนึ่งข้าไม่กระทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนําใจอัน ง, งามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทําสิ่งที่ฟังแล้วให้เจมหกบอกทางสวาา่างให้พระบรมศ า, าสร า, าสอนไม่มีที่แสงเลยอุทธาตาวินทะเตทนังบุคคลผู้หมั่นขยันย่อมหาทรัพย์ได้ไม่ใช่ขยันเล่นอบายมุขหาทรัพในมาเทศครอบแล้ว เวทอบายามุกซักอุทาัตตาวินทเจตนาคนมันย่อมหาชับได้วิธยทุกขามัจเจติคนร่วงทุกได้พระความเพียรความเพียรมีอยู่สองอย่างเพียรละชั่วทําดีความสําเร็จอยู่กับความพยายามคําสอนพระพุทธศาสนาผู้ทําชั่วก็สําเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันคําว่าความสําเร็จอยู่กับความพยายามเป็นคาํากลางถ้าพยายามทําสิ่งที่ไม่ชอบมันก็สําเร็จเหมือนกัน รักขโมยเขาก็สาเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันความสำเร็จอยู่กับความพยายามเป็คํากลางแล้วเช่นหนทางก็เป็นคำกลางหนทางไปทางผิดก็มีหนทางไปทางถูกก็มีเช่นปฏิบัติก็เป็นคํากลางปฏิบัติผิดก็มีปฏิบัติถูกก็มีเช่นทํางานก็เป็นคํากลางทํางานในทางผิดก็มีฆ่าสารรักฆ่าประพผิดในกรรมเรียกว่าทํางานผิดเรียกว่าการงานผิดเรื่องชีวิตทําะไรเลี้ยงชีวิตก็เป็นคํากลางเรื่องชีวิตเป็นนทางที่ผิดก็มีเรื่องชีวิตเป็นนทางที่ถูกก็มี เม้จากอบายมุกทุกประเภทเรียงวันเลี้ยงชีวิตเป็ น, นทางเสื้อถูกค่าขายก็มีขอบเขตค่าขายเครื่องปหานค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นในเรื่อสัตว์ที่ตัวฆ้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนํามาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ไม่เจริญเลยเป็นข้อห้ามของอบาศกอุบาชิกาไม่ให้ประกอบ สมบัติของอวบศกอวบสก า, ามีอยู่ห้าประการหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาคือเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองมีศีลบริสุทธิ์คือศีลห้าสามไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมองคลถือมองคลตื่นข่าวคือยังไงคือเลขจะออกตัวนั้นจะออกตัวนี้ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกำไม่เชื่อมงคลคือเชื่อที่ทําดีได้ดีทําชัวช่วอะไชั่ว ไม่แสวงหาเศษบุญนอกพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาอุบาสกต้องตั้งอยู่ในสมบัติท่าระการและเมนจากวิบัติท่าประการซึ่งตรงกันข้ามพระบรมศาสตราสอนหมดนะอันนี้ไม่ไม่สอนไม่มีเลยสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติพภานสมบัติสอนเพศสัจขันต์ก็อสอนอย่ารักษาโรค ก, ก็สอนหมดปัจจัยสี่กีววิมินบาทเสนาสละและเพศสัจก็สอนหมดใครจะไปสอนดีสอนเด่น ไม่มีสอนประโยชน์ในปัจจุบันก็สอนประโยชน์ในปัจจุบันสี่อย่างหนึ่งอุทธาในสมัธาถึงพร้อมด้วยความหมั่นในการประกอบกิจเครื่องเรื่องคีวิตรดีในการศึกษาเราเรียนก็ดีในการทำธุรหน้าที่ของตนก็ดีสองอารักะกมฐาอารักะอุทธานสมัธาถึงพร้อมด้วยความหมั่นในการประกอบกิจเครื่องเรื่องก็ดีอารักะสมัธาถึงพร้อมในการรักษารักษาทรัพย์ ที่แสวงหามาได้ด้วยความหมั่นไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีรักษาการงานของตัวไม่ให้เสื่อมเสียไปก็ดีสมาธีวิตาความเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบกัญญาณมิตาตาความเป็นผู้มีเพื่อนในงามสมาธิวิตาความเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนี่ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตเลยเนี่ยศรัทธาสัมพทาถึงความโยศรัทธา เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นศีลสัสมปทาถึงความในศีลคือรักษากายวา่ายใจเรียบร้อยนี่ไม่มีโทษจาคศมาทาถึงความในการบริจาคทานเป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้อื่นปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญารู้จักบาป บ, บุญคนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นนี่ประโยชน์ในภายภาคหน้าเลยประโยชน์ปัจจุบันก็อนสอนป ร, ประโยชน์ในภายภาคหน้าก็สอนสอนคาราวะ ต, ต้ต้องเมตนำซ้ำํา ยังสอนเพื่อจะไปสวรรค์สมบัติพรมสมบัติอีกอเนกปัญญายนิพานสมบัติอีกเพื่อต้องการไปพญานาสมบัติก็สอนรัดแกให้พิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นไม่ที่อย่างเป็นทุกเป็นอนัตตาให้เห็นพิจารณาว่าเบื่อหน่ายกายเมาในวัฏสงสารสอนเพื่อไปพระิพานาสอนวัดอรารักะกรรมฐานก็สอน อนุขะกรรมฐ า, านสี่หนึ่งพุทธานุสติรละลึกถึงคณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นสองเมตตาแผ่เมต t e กิจคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้าสามอสุภะพิจารณาร่างกายตนและผู้นห้นเห็นเป็นแมงามสี่มรณะสติรละลึกถึงความตายอันจะมาถึงตนกรรมฐ า, านสี่อย่างนี้ควรเจริญเป็นนิสั น, น, นี้ก็บอกแล้วบางท่าก็จเจริญพุทโธเป็นนิส บางท่านก็จะเริยนรวมหายใจเขาออกความกับพุทโธเป็นนิดเป็นเครื่องอยู่ทําดีเขาไปบวกดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ไปบวกเครื่องอยู่ที่ใจทําดีดีบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่อยย้ำชั่วบ่อยทําชั่วบ่อยใจก็ต่าลงบ่อยทําดีแล้วก็ไหลเข้าสู่ใจไม่ได้ต้อนเขา้าข้องยากเหมือนโคและก็เบือมันเข้าเองมันทําชั่วก็เข้าใจสิ่งไหนที่นึกถึงความชั่วก็ร้อนใจสิ่งไหนที่นึกถึงความดีก็ เป็นเครืองอบุญใจนั่นคือบุญ น, นั่นคือบาปเพราะพระพุทธ เ, เจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นจงใจถึงในการทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่วจงมีอิสระในทางทําดีเถิด อ, อย่ามีอิสระในทางทําชั่วพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้ น, นเวลามีนิดเดียวอย่านอนใจเนอพระบระมศาสนา์ออกจากมนุษย์ไปสามารถเป็นสัตว์ที่ฉันก็นได้ ออกจากมนุษย์ไปสามารถเป็นเปรตเป็นผีก็ได้ถ้าไม่ปิดประตูที่ปิดประตูเพจผีเปรตผีนะหรือสัตว์รักษาก็คือสินห้าบริรณ์ถึงพระพุทธธรรมประสงค์แน่หนาปิดประตูแล้วที่จะเปิดประตูอยู่มันก็ไปแล้วที่ปิดนี่ปิดนะยากจะมาเป็นมนุษย์ถ้าไปเป็นสัตว์รักษานก็นลาบาก ถ้ไปเป็นเปรตเป็นผีก็ละหมากกว่าจะคืนมาเป็นมนุษย์อีกถ้ามีที่ห้าบริบูรณ์ถึงพระพุทธธรรมปสงค์บริบูรณ์แล้วไม่เริ่มใสศาสนาอื่นมาปนเปไม่อยากจะกองเวีนท่านผู้ใดผู้นั้นถึงสุพัจจะปณูแล้วข้ามพุทธชนคนหนาไปแล้วนะทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยผู้นั้นก็เป็นอริยทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในเป็นทรัพย์ที่ไม่เดือดร้อนทั้งทรัพย์ภายนอกและภายในด้วย ภายในคือศรัทธาซับมีศีลซับมีศรัทธาซับมีความละอายต่อบาปเป็นซับมีความกลัวต่อบาปเป็นซับเป็นคนได้เคยได้ยนนินได้ฟังในเรื่องศีลธรรมเป็นซับจาะคะก็เป็นซับปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นซับภายใน